คนที่จริงก็เรียกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกร้วนรักสุขเกลียดทุกปราถนาจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามแล้วก็ไม่อยากจะให้ความทุกขนะ์เกิดขึ้นกับตนจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องลงมือทำพุทธศาสนาเราไม่เชื่อเรื่องการออนบอน บนบานสารกล่าวคอยได้พบความสุขความเจริญอันนั้นไม่ใช่วิธีของชาวพุทธต้องลงมือทำนั่นคือมีความเขียนมันเพียนสร้างเนื้อสร้างตัวรู้จักอด อ, อมใช้ใจอย่างประหยัดรวมทั้งการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายการกินอาหารที่ถูกต้อง ถามว่าเท่านี้พอไหมนะยังไม่พอนะต้องทำความดีด้วยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่คดโกงพวกเราือมีศีลแต่ว่าแม้จะทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะพบแต่ความสุข นะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะกับตัวเราดูแลสุขภาพดีแค่ไหนเนี่ยนะมันก็มีวันที่ต้องเจ็บต้องป่วยทำมีความเขียนมันเพียนอย่างไรก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกครั้งนะมันก็ต้องมีความล้มเหลวทำดีอย่างไรก็มีคนตาหนิคนต่อว่าหรืออาจจะด่าทอใส่ร้าย เก็บหอมรอมริบยังไงบางทีบางครั้งนะให้เงินที่อดออมหรือสมบัติที่รักษาไว้ก็สูญหายไปถูกคนแย่งชิงหรือโกงไปบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่จะหนีพ้นได้แม้ว่าเราจะทำะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยซึ่งเรียกย่อๆว่าทำกิจในเมื่อ พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหานะเรียกว่ามีความไม่สมหวังหรือความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจาเป็นต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือทําจิตนะทาจิตหรือการวางใจให้ถูกนะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้นะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนนะไม่ว่าจะมี คนเอื้อเฟือเก้ อ, เกอกูเพลงใดเนี่ยเราก็ดีไม่พ้นความจริงที่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ยางเอาแล้วนะทุกขโธติ น, นาทุกขะเปรตตามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วจะมากหรือน้อยจะเบาหรือหนักก็แล้วแต่ทำจิตเนี่ยควรจะทาอย่างไรนะอย่างแรกเลยที่ควรทำก็คือ เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นเมื่อความไม่สงหวังเกิดขึ้นเนี่ยอย่าซ้ําเติมตัวเองเมื่อเจ็บป่วยนะก็ให้มันป่วยแต่กายอย่าปล่อยให้ใจป่วยไปด้วยเมือ่อสูญเสียทรัพย์ก็ให้มันเสียแค่นั้นอย่าให้ใจเสียหลายคนเนี่ยนะชอบซ้ําเติมตัวเองพอสมบัติ ศนะูญหายเงินถูกโกงไป mm hmm. ก็เศร้าโศกเสียใจอะไราอาวรเท่านั้นไม่พอนะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับ mm hmm. ก็เลยแทนที่เสียใจ mm hmm. ก็เสียสุขภาพด้วย mm hmm. เวลาทำงานก็ทำไม่ได้ไม่มีสมาธิเ mm hmm. มื่อลอยเสียงานอีก เสร็จแล้วก็พอมีคนมาหยอกมาเยา้านอะมีเพื่อนร่วมงานนะมาแซลแต่ก่อนก็อาจจะแซวกลับสนุกสนานแต่คราวนี้ไม่ละด่าเลยก็เลยทะเลาะกันเสียเพื่อนอีกแทนที่จะเสียแค่งเงินวนะ่าเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนหรือเสียคนนะเพราะความลืมตัว เพราะหมกมุ่นจอมจมอยู่กับสมบัติที่เสียไปอย่างนี้เรียกว่าซ้าเติมตัวเองนะเราซ้าเติมตัวเองไปประจำแม้กระทั่งในเหตุการณ์ประจำวันเจอรถติดนะแทนที่จะเสียแค่เวลาก็เสียอารมณ์ด้วยเสียเวลาเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะแต่เสียอารมณ์เนี่ยเป็นเพราะเราทำตัวเราเอง คือวางใจไม่ถูกไม่รู้จักดูแลจิตใจของตัวเวลาถูกคนดินทา้าถูกคนต่อว่าแค่นี้มันก็แย่พอแล้วก็ยังซ้ำเติมตัวเองคือปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดเสียใจเข้ามาเล่นงานจิตใจในเมื่อเราไม่สามารถจะควบคุมบงการให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราได้บางครั้งสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นนะกับชีวิตของเรา กับทรัพย์สินของเรากับงานการของเรากับร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งกับคนที่แวดล้อมเรารวมทั้งคนที่เรารักสิ่งที่เราทำได้คือไม่ปล่อยให้มันส่งผลเสียลุกลามมาถึงจิตใจของเรานั่นคือไม่ซ้าเติมตัวเองแม้ถูกทำร้ายก็ให้มันเจ็บปวดใจกายใจไม่ปวด ใจไม่ทุกข์แล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะระมัดระวังนะไม่ซ้ำเติมตัวเองแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีแม้จะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามอย่างที่เคยเล่านะในวันแรกๆนี่พวกเรามาว่าพูดถึงพระธิเบาท่านหนึ่งที่ถูกคนทำร้ายถูกทรมานตลอดเวลาที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำยี่สิบปี เมื่อทารมะถามท่านว่าตอนที่ท่านติดคุกเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะบอกกลัวคนทรมานท่านจะบอกกลัวว่าท่านเนยจะไปโกรธไปเกลียดนะคนที่ทรมานท่านพอถ้าถามเช่นนั้นเนี่ยมันก็คือการซ้ำเติมตัวเองคนอื่นทาได้แต่สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายแต่ไม่สามารถจะ ยัดเย่ยความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านได้มีคนเดียวที่ทําได้คือตัวท่านก็คือปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบงำนั่นแหละคือการซ้ําเติมตัวเองปู่เจ้าจัดว่านะคนพานปัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูหมายความว่าย่อมทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเองทั้งโดยการผิดศีลทาบาปกรรมหรือทําร้ายตัวเองด้วยการที่ไม่รู้จักรักษาใจ การไม่ซ้าเติมตเพื่องทำได้อย่างไรนะก็โดยการนะวางใจให้ถูกเริ่มต้นในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นการได้พูดไปตั้งแต่วันแรกๆรว่าคนเราทุกใจเพราะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจิตมันดิ้นรนผลักใสต่อต้านแต่ท้งที่เรายอมรับได้นะใจมันสงบเลยไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะรุนแรงแค่ไหน มีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อกันเธอพ่อป้าตัวเองเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยตอนที่อายุสามสิบกว่าสามสิบต้นๆมันเป็นมะเร็งที่ปกติแล้วเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุเธอก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับเธอทำไมต้องเป็นชั้นมีความทุกข์มากก็เลยเวียนก็เลยวีนก็เลยเ อารวาใส่ผู้คนรอบข้างอยู่บ่อยๆไม่เว้นแม้แต่หมอพยาบาลแต่หลังจากทุกมาเป็นปีในสุดใจเึงก็สงบนะยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมแม่โรคมันจะลุกลามแต่ว่าใจสงบและเธอก็ได้ค้นพบบางสิ่งนะซึ่งมันมีประโยชน์มากเธอบอกว่าแม้ความจริงมันจะโหดร้ายแต่การไม่รับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่า เพราะมันเหมือนคุกที่ขังหัวใจเอาไว้เพราะมันเป็นเสมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้การเป็นมะเร็งนี่มันก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะแต่ที่มันร้ายยิ่งกว่าคือการที่ไม่ยอมรับความจริงว่าเป็นมะเรง็งหรือไม่ยอมรับโรคเหล่านี้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเราแล้วเธอทุกข์มากเพราะไม่ยอมรับความจริงแต่พอยอมรับได้นะใจมันสงบการไปซ้ําเติมตัวเองเนี่ย วิธีที่เป็นพื้นฐานเลยคือการยอมรับความจริงไม่บน่นไม่เ ว, ว่วายไม่ตีโพตีภายรถติดเนี่ยถ้าเพียงแค่เรานะยอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดาความรุมร้อนในจิตใจก็จะหายไปนะเจอความล้มเหลวเจออุปสรรคในการงานก็ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาความผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น มันก็ใจสงบได้ปัญหานะที่มันสร้างความทุกข์กับเราเนี่ยมันเป็นเพราะใจที่ไม่ยอมรับโอดครวนโวยวายก็เลยกลายเป็นว่าทำงานแทนที่จะเหนื่อยแต่กายก็เหนื่อยใจด้วยเป็นอย่างนี้ทุกวันวันแล้ววันเล่าลองฝึกใจให้ยอมรับมันซะซึ่งวิธีันึ่งที่ช่วยได้คือการที่เราเอาใจมาอยู่กับปัจจุบัน ในที่เรายอมรับไม่ได้ส่วนก็เพราะว่าใจมันเป็นคิดประปรุงแต่งถึงเหตุการณ์เดวร้ายที่จะเกิดขึ้นตามม า, าถ้ารถติดแบบนี้เดี๋ยวก็ไปประชุมไม่ทันเดี๋ยวก็ส่งลูกสายไปโรงเรียนสายหรือว่าเดี๋ยวก็ตกเครื่องบินเดี๋ยวผิดนัดเพื่อนนัดสําคัญด้วยโอ้พอคิดไปเงี้ยใจมันร้อนรุ่มเลยมันกระสับกระส่ายกังวนกังวลขึ้นมาทันที มันยังไม่เกิดนะั่นแต่ว่าทุกข์ไปเถะแล้วเพราะอะพระไปคิดข้ามช็อตนะไปคิดข้ามช็อตนะเอาขวามจริงอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ทุกข์ไปเท่าแล้วนี่เพราะว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะบางทีก็ไปนึกถึงอดีตนะของที่มันหายไปเงินที่สูญไปมันกลายเป็นอดีตไปแล้วก็ยังใจก็ยังไปห่วงนึกถึงมัน เสร็จแล้วก็กลายเป็นการซ้ําเติมตัวเองคําต่อว่าด่าทอคนด่านี่เขาพูดเขาก็เลืมไปแล้วแต่เราก็ยังเก็บเอามาทิมแทงจิตใจนี่เียว่าเป็นเพราะว่าใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันไปจมอยู่กับอดีตนไปฝังใจอยู่กับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมีสตินะกลับมาอยู่กับปัจจุบันรวมทั้งรู้จักมองมองบวกด้วย หมายเขาว่าไงมองบวกนะก็หมายเขาว่าความหมายเนึ้คือว่าแทนที่จะนึกถึงแต่สิ่งที่เสียไปแล้วนะี่ยลองนึกถึงสิ่งที่เรายังมีอยู่เราจะพบว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่นี่โอ้มันมากกว่าสิ่งที่เสียไปเยอะมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกโกงไปหกสิบล้านนะเธอก็เสียใจอยู่สองสาวันหลังจากนั้นเธอก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าเธอ ดิ้มได้ยังไงนะสามีเธ อ, อยังทุกอยู่เลยเธอก็บอกว่าก็มันนึกได้ว่าทุกวันนี้ก็ยังยังอยู่สบายยังได้กินของดีๆยังได้หลับนอนนะในบ้านที่สุขสบายแล้วจะทุกไปทำไมนะชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งที่หายไปมันก็เหมือนกับเป็นแค่ตัวเลขปีห้าสามนี่ยมันเกิดไฟเกิดเหตุการณ์จราจรกลางกรุงนะมี การเผาศูนย์การค้าไปหลายแห่งอันนี้เราคงจำได้ก็มีร้านสุกี้ชื่อดังร้านหนึ่งนะโดนเผาไปสี่แห่งสีสาขาศูนย์เสียไปหลายสิบล้านผู้จัดการก็มารายงานกับซ e อคุณลิตรโกมเดนซึ่งครอบครัวนี่ก็เป็นเจ้าของเครือขายสุกี้เนี่ยผู้จัดการก็มารายงานด้วยสีหน้าที่เศร้าโศ ซ e โอนี่กกับพูดเหมือนกับจะปลอบใจไม่ได้แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจเลยเลยบอกว่าเนี่ยร้านเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรายัมีต้องสามร้อยยี่สิบมีสามร้ยสิบสาขาถูกเผาไปสี่สาขาก็เหลือทั้งสามรอสิบหกระหว่างสี่ที่ถูกเผากับสามสิบหกที่ยังมีอยู่นี่มันต่างกันเยอะนะ จะไปสนใจกับสี่ทำไมทำไมไม่มามองสามสิบหกที่ยังมีอยู่นี่เรียกมองบวกนะคือไม่มองสิ่งที่เสียไปแต่มองสิ่งที่มีอยู่มันคือความจริงนะไม่ใช่เป็นการมองอนาคตว่าสดใสจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นแน่ๆคือไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันยังมีมากเทีไม่เรียกว่ามากมายกว่าสิ่งที่เสียไปเยอะมองแบบนี้ถูบ้างนะเราปวดหัว แต่ว่าเรายังมีตาที่มองเห็นเรายังมีจมูกที่ดมกลิ่นได้นะยังมีหูที่ฟังเสียงไพเราะเรายังมีมือที่เป็นปกติมีขาที่พาเราเดินเถินไปไหนมาไหนได้อย่าไปจดจ่อสิ่งที่มันเสียไปหรือเสื่อมไปนะใส่ใจกับสิ่งที่สิ่ ง, งดีๆที่ยังมีอยู่บ้างแล้วเราจะพบว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่า ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่เราคิดอันนี้ไม่ช่วยทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเองป่วยกายก็เวลาป่วยก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยเท่า น, นั้นเนี่ยไม่พอนะควรจะทำ อ, อีกข้อหนึ่งก็คือว่ารู้จักเห็นหรือหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้มมีประโยชน์ทั้งนั้นนะอยูที่ว่าเราจะมองเห็นหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันหรือเปล่า หลายคนเป็นมะเร็งนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะอยู่กับมันได้เพราะเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์อ่ามีคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะอายุก็ยังไม่มากแต่เธอก็หลังจากที่พิจารณาใคร์ขลนก็พบว่าเออมะเร็งมันไม่ได้ร้ายอย่างที่แกอย่างที่ตัวเองคิดนะเธอบอกว่าเนี่ยมะเร็งมันทำให้เรารู้จักตัวเองทำให้เรา รับมือกับโรคได้ดีขึ้นมะเร็งไม่ได้น่ากลัวเลยเนะเพราะว่าถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเธออาจจะตายเพราะโรคซึมเศร้าคือเธอเคยเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็พยายามเข้าตัวตายมาสามครั้งแล้วแต่พอเป็นมะเร็งเข้าเนี่ยโรคซึมเศร้านี้หายไปเลยหมอเนี่ยที่เคยรักษาเธอเป็นประจาเนี่ยออกปากถึงก็ออกปากเลยว่า การมองโรค ก, การมองช่วงเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งเธอว่าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยคงตายไปแล้วเพราะโรคซุมเศร้าเนี่ยเพราะมันเหมือนกับมันทำมันฆ่าตัวมันทาร้ายตัวเธอเนี่ยโดยไม่รู้ตัวมาเป็นเวลานานอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นโรคปลายประสาทกล้ามเนื้อปลายประสาทอ่อนแรงเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้องให้พ่อเนี่ยอุ้มไปพาพาไปเรียน พอเดินไม่ไหวตอนหลังอาการหนักพ่อก็แก่ตัวอุ้มไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้อยู่ที่บ้านทำอะไรไม่ได้เยึยขยับก็ไม่ได้ก็มันก็รอวันตายแต่ตอนหลังเนี่ยเธอได้คิดนะกลับมาสู้กับชีวิตทำอะไรไม่ได้ก็ยังมีอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยยังมีอย่างอย่างน้อยอย่างนี้ทําได้คือเขียนดีจายนะ เธอใช้นิ้วเนี่ยใช้มือใช้นิ้วที่หักงอเนี่ยจิ้มจิ้มแป้นในโทรศัพท์มือถือล้วเขียนนิยายสามารถที่จะทำรายได้เลี้ยงครอบครัวจากคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นภาระของคนในบ้านเนี่ยกลับกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินส่งเสียน้องสาวเรียนหนังสือแล้วก็ ช่วยทางบ้านเรียกว่าเต็มร้อยเลยเพราะว่าแม่ตกงานพ่อก็เสียชีวิตนัเธอผู้ไว้น่าสนใจนะบอกว่าความทุกข์นี่มันให้อะไรเรามากความสุขเยอะนะความสุขมันทําให้จิตใจล่องรอยฟุ้งนะส่วนความทุกข์เนี่ยก็คือความเจ็บปวดของเธอเนี่ยมันทําให้มาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งดีกว่าการล่องรอยเยอะเลย ในขนาดทุกนะทุ ก, นะทกเรียกว่าสาหัสการแต่เธอก็ยังสามารถอยู่กับมันอยู่ความเจ็บป่วยได้เพราะเธอรู้จักมองเห็นว่าเออทุกมันมีประโยชน์ยังไงกาพูดแบบนี้มันคล้ายกับผู้หญิคนหนึ่งนะชื่อขกนกวรรณเนี่ยเธอเป็นโรคทรัสิเมียตั้งแต่เกิดหมอบอกวจะอยู่ได้ไม่เกินยนะี่สิบทรัสิเมียเป็นโรคเลือดนะเป็นลักตาโปนตัวแห้งตัวผอมกระดูกเปล่า อ่อนแอหกล้มเมื่อไหรก็ต้องเข้าเฟือกเมื่อ น, นั้นแหละเธอบอกว่าเนี่ยความสุขเนี่ยอาจจะทำให้เราหลงหลงลืมนะแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เรามองความจริงของชีวิตได้ดีขึ้นสองคนที่ไม่รู้จักกันั้แต่พูดคล้ายๆกันนะพ่อเขารู้จักใคร่ครวญแล้วก็มองว่า ให้เหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอาจารย์พุทธาสบอกนะว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะก็คือฉลาดในเรื่องของอความจริงของชีวิตนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะให้อะไรกับจิตใจของเรามากโนะดยเพราะความจริงของสังขารว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ซึ่งทำให้รู้จักปล่อยรู้จักวางได้ลองมองดูดีๆนะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่ารถติดก็มีประโยชน์นะแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเพราะเอาแต่กังวลนะมีคราหนึ่งรถติดหนักเลยนะพ่อก็เลยหันไปถามลูกนะซึ่งอยู่หลังรถว่าเนี่ยรถติดมีข้อดีอย่างไรบ้าง ลูกก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่ารถติดมันก็มีข้อดีตรงที่ทำให้พ่อเนี่ยมาคุยกับลูกไงคือถ้ารถนี่แล่นชิวนี่พ่อคงจะสนใจแต่ทางข้างหน้าถ้าไม่สนใจลูกที่นั่งอยู่ข้างหลังเวลารถติดเนี่ยนะเอออย่าปล่อยให้จิตตกนะกลับมาตามลมหายใจใส่ใจกับลมเข้าลมออกอยู่กับเนื้อกับให้มีสติอยู่กับเนือ้ อ, ก, อ ก, กับตัวหรือว่าใช้เวลานั้นคุยกับลูกนะ สนทนากับคนในครอบครัวก็ได้อันนี้เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์นะจากความทุกข์หาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังหรือว่าไม่พึงปรารถนาคาตา ว, ว่าด่าทอก็มีประโยชน์นะหลายคนมองไม่เป็นไม่รู้จักหาประโยชน์จากมันก็เลยซ้ำเติมตัวเองนะถูกเขาดา่าก็แย่แล้วยังปล่อยใจให้ทุกขนะ์เพราะความโกรธความเกลียดความหงุดหงิด แต่คนฉลาดนี่ยเขารู้จักหาเปรียบจากคําต่อว่าด่าทอได้ที่วัดถ้ำกองเพลนสมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยมีแม่ชีท่านหนึ่งนะเอาใจใส่อุปถาคพระเนนดีมากชื่อแม่ชีสาแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ดีด้วยตัวหลวงปู่ขาวชมแต่อยู่ๆวันหนึ่งนะหลวงปู่ขาวก็สั่งให้พาสองรูปนี้ไปดา่าแม่ชีสาทั้งสองรูปซึ่งเป็นรูปสิทธิ์เนี่ยนะก็ คงสงสัยนะว่าครูบาอาจารย์สั่งให้ไปด่าทําไมแต่ในเมื่อครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องไปไปที่กุติแม่ชีสาเรียกแม่ศีสาออกมาแล้วก็ด่าเลยตั้งพัดกันด่าแม่ชีสาชื่อ ก, ก็งงนะแต่ว่าตั้งสติได้ก็พลดมือฟังอย่างสงบอย่างนิ่งสงบทั้งสองท่า น, น ด, าดีด่าจนไม่รู้จะดา่ายังไงแล้วก็หยุดด่า แม่ชีสาแทนที่จะโกรธหรือแทนที่จะน้อยเนื้อต่าใจว่าอู๋ทำไมครูบาอาจารย์มาว่าเราอย่างนี้เราอศาสตร์ ท, ทําดีทําไมท่านไม่เห็นนั้นทําไมท่านถึงพูดกับเราแรงๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดคนอื่นเขารู้นี่เราจะหน้าไปสุขที่ไหนไม่มีเลยนะแม่ชีสาไม่ได้คิดแบบนี้ถ้าคิดแบบเนี้ยทุกแน่เลยแต่แม่ชีสาเนี่ยวางใจเป็นนะพอครูบาอาจารย์นะ พากสองรูปด่าเสร็จนักศษาก็พูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ดุ ด, ด่าดิฉันเสร็จแล้วหรือดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงดุ ด, ด่าเป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยขอน่าหนี้หมดมาด่าบ่อยๆนะกิเลสไม่ได้หมดสักทีนี่ฉลาดนะแม้จะเรียนหนังสือไม่มากแต่ฉลาดคือเห็นประโยชน์ของคําดุ ด, ด่าหรือคําต่อว่า ว่ามันช่วยขูดนะช่วยขูดกิเลสช่วยขัดนะจิตใจสิ่งที่ขัดสิ่งที่ขัดอกขัดใจเราเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้ขุ่นเคืองนะอันนี้เราขัดทุนนะแต่ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาขัดใจของเราให้สะอาดให้กิเลสมันเบาบางเนี่ยถือว่าฉลาดแล้วควรจะทํางั้นเนี่ยนะอย่าให้ ถ้าเมื่อแต่ก็ตามที่มีความขัดใจเนี่ยก็อย่าให้เป็นความกุนเคืองแต่เป็นการขัดจิตใจให้สะอาดนะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นคาต่อว่าจะเป็นอุปสรรคนะจะเป็นความร้อนความหนาวนะยุงกัดมแมลงมารบกวนะให้มันเป็นการขัดใจในความหมายที่สองนะก็คือขัดใจเราให้สะอาดหรือว่าทำให้กินละเเบาบางมีสติมากขึ้น รู้จักใช้ประโยชน์จากทุกเหตุการณ์แม้มันจะเลวร้วายแค่ไหนนะให้เป็นประโยชน์ให้ได้เพราะว่าความทุกเนี่ยนะมันสามารถจะสอนใจเรานะให้เห็นธรรมะมันสามารถจะฝึกใจเราให้เข้มแข็งมันสามารถจะเตือนใจเราให้ไม่ประมาทมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นช่างไฟวันหนึ่งเนี่ยเกิดพลาดขึ้นมา สายไฟแรงสูงเนี่ยมาไปถูกที่ต้นขาต้องผ่าตัดต้องผ่าค้างสองข้างต้องตัดข้างสองข้า ง, ง, า ง, ง, างกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่กี่เดือนต่อมานะภรรยาก็ทิ้งไปมันเหมือนคลอดซ้ำกรรมซัดนะถ้าเป็นเรานี้คงจะคับแค้นนะคับแค้นในชะตา ก, กรรม แต่ว่าผู้ชายนี้เขาชื่อดำรียนยะแกก็ไม่รู้สึกแบบนั้นนะมีคนมาถามว่าคุณรู้สึกยังไงนะที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรหรอกครับคิดดูสิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงแกไม่ทุกข์นะที่เมียทิ้งเพราะแกได้เห็นทำจากการที่เสียขา คนธรรมดาถ้าเสียขาเนี่ก็เอะอะเว่อวายตีโพยตีพายกลุ้มมกกลุ้มใจแต่ดํารีนี่แกมองเห็นเห็นธรรมะเห็นความจริงจากการเสียขาของสองข้างว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยขาที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดวันดีคืนดีมันก็ทิ้งเราไปก็ต้องยอมให้มันให้มันไปนะถ้าไม่ยอมให้มันไปไม่ยอมเสียขายไม่ยอมตัดขานี่อาจถึงตายได้ แต่การที่เสียขาไปมันไม่เพียงแต่ทําให้แก่มีชีวิตรอดมันทําให้แกเห็นธรรมะว่าโอ้ไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยนั่นเนี่ยพอเห็นตรงนี้เนี่ย ม, มันก็มันก็มีผุม่มต้านทานความทุกข์แล้วพอเจอทุกข์ซ้ำสองนะภรรยาทิ้งใจไม่ทุกข์แล้วนี่เรียกว่าหาประโยชน์จากการเสียขาได้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะ เ, เมื่อเจอเหตุร้ายเนี่ย อันซ้ําเติมตัวเองขาดทุนไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ทบนะต่คนฉลาดเนี่ยเขาสามารถทําให้เป็นกําไรได้ก็คือนอกจากใจไม่ทุกข์แล้วเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์เห็นธรรมะเกิดปัญญาอันนี้หลาเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเนี่ยไม่แปลว่านะไม่มีไม่มีการตกน้ําไม่เจอไฟตกนะแต่ว่ามันไม่ ทำร้ายจิตใจจิตใจไม่เป็นทุกข์อย่างนี้แหละที่ว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดนะีหลวงพ่อมเขียนท่านบอกว่าเนี่ยนักภาวนาก็คือคนที่รู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีบางครั้งเราเปลี่ยนร้ายข้างนอกให้เป็นดีไม่ได้เปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเย็นไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนข้างในได้คือนะเปลี่ยนทุกข์นะให้กลายเป็นธรรมะเปลี่ยนปัญหา ให้กลายเป็นปัญญาฉลาดในการหาประโยชน์จากความทุกข์นะฉลาดในการหาประโยชน์จากปัญหามันก็เห็นธรรมมันก็เกิดปัญญาขึ้นได้นั่นแหละคือการทําติดนะสองอย่างที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยที่จะช่วยทําให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขในโลกนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าบ้าง โอราะ่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนมันเป็นโรคที่เต็มไปด้วยความผันผวนแปรปรวนนะเราไม่สามารถจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือว่าเรามีวิชาในการรับมือนะเหตุร้ายที่มันอาจจะประดังประเดกเข้ามาหรืออาจจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราพยายามทำดีที่สุดแล้วนะนะ ทำดีทั้งทางโลกและทางธรรมทำดีทางโลกคือว่าขยันหมั่นเพียรอดอมดูแลสุขภาพทำดีทางธรรมก็คือว่ามีศีล น, นะไม่ทําชั่วแต่แม้กระนั้นเนี่ยมันก็ยังมีนะเหตุร้ายความทุกข์เนี่ยหลุดรอดผ่านเข้ามากระทบกับตัวเราหรือว่าเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรากับคนรักของเรากับงานการของเราหรือแม้กรทั่งกับหน้าตาของเรา ภาพรักของเราแต่ว่าถ้าเรารักษาใจดีนะมันก็ไม่สามารถจะมาระกระทบอกระเทือนจิตใจหรือยัดเย่ความทุกข์ให้กับใจเราได้นิยามซ้ำนี้เรายังสามารถจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการทำให้เราฉลาดมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่าอยู่ในโลกยังมีความสุขได้มากขึ้นสองอย่างนี้ขาดไม่ได้นะทำกิจและทำจิตนะขาดอันใดหนึ่งก็ ให้เพียงพอทำกิจดีแต่ว่าอย่าลืมทำจิตและทำจิตทำยังไงก็อย่างน้อยก็ทำสองข้อนี่แหละหนึ่งอย่าซ้ำเติมตัวเองสองรู้จักหาหรือเห็นประโยชน์จากความทุกข์ะุเดรจะเกิดขึ้นถ้าทำางนี้ได้เนี่ยนะก็แน่ใจได้เลยนะหรือเป็นหลักประกันได้เลยว่าจะมีความสุขความสงบเด็นได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือว่าเป็นสุขในทุกที่ทั้ ไกลจากทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในสาการใดก็าตามชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกรับพับ